วันนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาที่เป็นวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีญาติโยมมาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมาก สำหรับคนที่ใส่บาทเนี่ก็มีมากช่วงสามวันก่อนนี้วันละหกร้อยกว่าขึ้นไปมาสูงสุดที่เมื่อวานนี้จำนวนคนใส่บาทนี่ขึ้นถึงเก้าร้อยกว่าก็ร้อยเจ็ดสิบเป็นครั้งแรกเป็นเป็นนิวไฮ ส่วนจำนวนญาติโยมที่มาฟังเทศฟังธรรมในช่วงตอนบาา่ายเมื่อวานนี้ก็รวมกันทั้งหมดก็ขึ้นถึงประมาณแ0ดร้อยกว่าก็สูงสุดนิวไฮเหมือนกันปกติจะห้าร้อยกว่าห0ร้อยเป็นเกณฑ์แต่เมื่อวานนี้ขึ้นถึงแ0ดร้อยกว่าก็มีคน ให้ความสนใจต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากในช่วงวันหยุดเพราะว่าในช่วงวันทำงานก็ต้องไปทำงานกันเวลาที่จะได้มาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญใส่บาตรมาปฏิบัติธรรม ก็ไม่มีพวกที่มาเฉพาะวันหยุดนี้ก็เปรียบเหมือนกับมือสมัครเล่นยังไม่ใช่เป็นมืออาชีพถ้าเป็นมืออาชีพนี้จะมีการศึกษามีการปฏิบัติทำกันอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุด วันหยุดราชการหรือไม่หยุดราชการต้องศึกษาต้องปฏิบัติต่อเนื่องเพราะว่าคู่ต่อคู่ศัตรูคู่ต่อสู้ข้าศึกศัตรูที่เราต้องกำจัดคือกิเลสตัณหาเขาไม่มีวันหยุดเขาทำงานทุกวัน <c oughs> ทำตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับ ถ้าเรามาปฏิบัติแบบมือมือสมัครเล่นเราจะสู้เขาไม่ได้จะไม่สามารถกําจัดข้าศึกศัตรูที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปจากใจไม่ได้ไม่บรรลุผลคือไม่บรรลุมรรคผลผนิพพาน การจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้จาเป็นต้องปฏิบัติแบบมืออาชีพเนี่ยไม่มีภารากิจการงานอย่างอื่นภารากิจอย่างเดียวคือกิจในพรหมจรรย์หรือกิจในอริยสัจ ส, สีเนี่ยอันนี้เป็นกิจที่ไม่มีวันหยุดราชการเพราะว่ า, าลูกค้าที่ม า, าติดต่อ ก็ไม่มีวันหยุดนะลูกค้าก็คือกิเลสตัณหาที่มาคอยติดต่อกับจิตใจของเราคอยดึงจิตใจของเราให้ปหาเรื่องวุ่นวายใจต่างๆมาใส่ใจถ้าเราไม่ต้องการความวุ่นวายใจต่างๆ ไม่ต้องการความทุกข์ความวิตกความกังวลความหวาดกลัวความทุกข์ชนิดต่างๆเราต้องคอยกําจัดกิเลสตัณหาที่เมื่อคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆอยู่ตลอดเวลากิเลสตัณหานี้ทำงานตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเอาลืมตาขึ้นมาก็คิดถึง สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะได้อยากจะมีอย่างนั้นมีอย่างนี้นะมันทำงานตลอดเวลาถ้าเราต้องการที่จะให้ใจเราสงบมีความสุขตลอดเวลาเราก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตลอดเวลาสำหรับมืออาชีพนี้เขาจะถืองาน ปฏิบัติธรรมนี้เป็นงานอาชีพของเขากรรมฐานเนี่ยคำว่ากรรมฐานแปบลบว่าที่ตั้งของงานที่ตั้งของงานคืออะไรก็คืออารมณ์ต่างๆที่เราใช้ในการยึดเหนี่ยวจิตใจอารมณ์ที่เราใช้ในการควบคุมจิตใจให้สงบไม่ให้วุ่นวายใจ เรียกว่ากรรมฐานที่ตั้งของงานงานที่เราต้องคอยกระทำอย่างต่อเนื่องคืองานกำจัดความทุกข์ต่างๆกำจัดความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจากการทำงานของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณ พ, พ์ความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่เป็นสิ่งที่งานของกรรมฐานกรรมฐานมีหน้าที่กาจัดสิ่งเหล่านี้นี่แหละคืองานของนักปฏิบัติเราเรียกว่ากรรมฐานมีอยู่สี่สิบวิธีการด้วยกันอารมณ์สี่สิบอย่างมีแบ่งเป็นอนุสติสิบ อสาสุภะสิบกระสินสิบแล้วก็มีอย่างอื่นอกีกพรมวิหารสีมีธาสีมีปฏิกูณสัญญานี่คืออารมณ์ต่างๆที่เราจะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมจิตใจ ให้ร ง, งับจากความโลภความโกรธความหลงระ ง, งับจากความอยากต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมนี้จะไม่อยู่ปราศจากกรรมฐานเลยเพราะกรรมฐานนี้เป็นเหมือนอาวุธที่เราใช้ทําลายกิเลสตัณหาเหมือนกับทหารที่เข้าสนามรบนี่เขาจะนอนกอดปืนเขาจะไม่อยู่ห่างไกลจากปืน จากมีจากระเบิดที่เขาต้องใช้ในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูเพราะเขาไม่รู้ว่าข้าศึกศัตรูนี้จะพบกันได้เมื่อไหร่อาจจะกำลังนอนพักผ่อนเขาข้าศึกศัตรูก็อาจจะบุกเข้ามาก็ได้กำลังนั่งรับประทานอาหารกำลังทำอะไรนี่ถ้าเป็นทหารอยู่ในสนามรบแล้วนี้ จะไม่อยู่ห่างไกลาจากอาวุธเลยพร้อมต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลากล้าศึกศัตรูจะเข้ามาเมื่อไหร่ไม่มีไม่รู้กันกิเลสตัณหาที่คอยเข้ามาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับพวกเราเขาก็เข้ามาตลอดเวลาถ้าเราไม่คอยกําจัดไม่คอยทําลายจิตใจของเราก็จะประสบกับความ ทุกความวุ่นวายใจจนกระทั่งถึงกับ เ, เ, เครียดมากก็มีาบางคนนี้มีอาการเครียดเหมือนกันเป็นคนเสียสติมีคนทุกข์กับเรื่องราวต่างๆคิดกับเรื่องนั้นก็ทุกคิดกับเรื่องนี้ก็ทุกทุกไปหมด เ, เพราะไม่มีกรรมฐาน ค่อยทำลายคอยกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่เองนักปฏิบัติที่ต้องการที่จะทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขจึงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่ปฏิบัติไม่ได้ เวลาหลับนอนหลับพักผ่อนเป็นเวลาที่พักลบชั่วคราวแต่พอลืมตาขึ้นมานี้ต้องรีบหยิบอาวุธขึ้นมาเลยคือกรรมาฐานกรรมาฐานถ้าใช้อนุสติก็ถ้าเราใช้พุทธานุสติก็ให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเช่นเราเ ล, ลิกถึงชื่อของพระพุทธเจ้า แล้วก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปภายในใจลืมตาขึ้นมาอย่าปล่อยให้กิเลสมันคว้าใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้หยุดมันพอลืมตาขึ้นมาก็พุทธโธพุทธโธสู้กับความโลภหรือสู้กับความโกรธบางทีไปคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความโกรธขึ้นมาทันที ยังไม่ได้เจอตัวเลยเพียงแต่คิดถึงเขาก็โกรธขึ้นมาคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็โกรธขึ้นมามนี่กิเลสตัณหามันทำงานอย่างต่อเนื่องผู้ปฏิบัติธรรมที่ต้องการกําจัดกิเลสตัณหาก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต้องมีกรรมฐานอยู่ตลอดเวลากรรมฐาน เริ่มต้นก็ใช้ อ, อนุสติต่างๆเป็นกรรมฐานเพื่อควบคุมใจให้นิ่งให้สงบแล้วถ้าเข้าผ่านขั้นอนุสต์ขั้นสติได้แล้วก็เข้าไปสู่ขั้นปัญญากรรมฐานขั้นปัญญาก็มีให้พิจารณาไตรักธาตุสีอสุภะนี่ก็เป็นกรรมฐานที่จะให้ เกิดปัญญาที่จะใช้ในการทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปอย่างถาวรได้ถ้าใช้พวกอนุสติต่างๆนี้จะเพียงแต่หยุดความคิดหยุดกิเลสตัณหาไว้ชั่วคราวแต่จะไม่ได้ทำลายมันพอเวลาที่ไม่ได้ใช้กรรมาฐานปับ๊บเดี๋ยวความโลภความโกรธความหลงความอยาก ในเรื่องนั้นอยากในเรื่องนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีแต่ในเบื้องต้นนี้จิตใจไม่มีกำลังที่จะไปใช้กรรมฐานที่เป็นปัญญ า, เ, าเช่นอสุภะหรือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันนี้ต้องรอให้มีกำลังก่อนต้องสร้างสติขึ้นมาให้หยุดความคิด ที่จะไปคิดในทางโลคความโลคความโกรธความหลงให้ได้ก่อนพอหยุดได้แล้วทีนี้ก็ให้มาคิดทางกรรมฐานให้พิจารณาอาสุภะให้พิจารณาอาการ32ของร่างกายให้พิจารณาธาตุสีเนี่ยเรียนแพทย์นี้ต้องรู้จักอาการต่างๆของร่างกายแล่ะอนาธอมี่ต้องต้องเห็นร่างกายชัดกว่าตอนที่ไม่ได้เรียนะ ตอนที่ไม่ได้เรียนเห็นแต่ภายนอกเห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังแต่พอไปเรียนแพทย์นี้เขาจะให้เข้าไปดูอาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังให้ดูระบบกระดูกต่างๆโครงกระดูกให้ดูระดับลำไส้ระบบลำไส้ระบบการเดินทะเดินอาหารมีกระเพาะมีลำไส้ต่างๆดูตับดูไต ดูปอดดูหัวใจดูสมองแล้วก็ดูน้ำต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหงื่อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายที่เรามองไม่เห็นกัน แล้วไม่เคยคิดว่ามีกันไม่เคยคิดว่าในร่างกายเหล่านี้มีอาการต่างๆเหล่านี้เพราะว่ามีหนังหุ้มห่อปกปิดเอาไว้เราเลยหลงไปกับร่างกายภายนอกเห็นร่างกายเลยเห็นว่าสวยว่างามน่ารักน่าสงวนแต่พอมาศึกษาแพทย์มาเรียน anatomy ได้เข้าไปสู่ข้างในบางทีก็ต้องไปดู ไปดูศพเพราะจะดูข้างในให้แบบสดสดร้อนๆก็ต้องไปดูการชันะศพนะถ้าดูผ่านทางภาพทางาภาพวาดไดอะแกรมอย่างนี้มันก็ยังไม่ได้เห็นของจริงก็ต้องไปดูของจริงกันเพราะว่าต่อไปเป็นแพทย์จะต้องผ่ า, าถ้าเป็นแพทย์สัญญกรรมนี้จะต้องผ่าเข้าไปข้างในผ่าหวัว หัวใจผ่าปอดทำปอดรักษาปอดรักษาลำไส้รักษาอะไรต่างๆนี่แหละเป็นกรรมฐานที่จะเปิดหูเปิดตาที่ถูกความหลงโมหะความมืดบอดปิดบังใจทำให้ใจไม่เห็นความเป็นจริงของร่างกายว่าเป็นอย่างไร แม้แต่ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็มักจะมองไม่เห็นกันเห็นแต่ความหนุ่มความสาวกันไม่เคยคิดเลยว่าร่างกายที่กำลังหนุ่มกาลังสาวนี้ต่อไปจะต้องแก่ลงไปต่อไปจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต่อไปก็จะต้องตายไปถ้ามาศึกษาความจริงต่างๆของร่างกายนี้ เราจะมีทัศนคติต่อร่างกายนี้เป็นคนละแบบเลยจากการที่หลงไหลคลั่งคลกับรูปร่างหน้าตาของร่างกายก็จะรู้ว่ามันเป็นเพียงแต่สวยแค่ระดับผิวหนังทนั้นเองพอเข้าไปอยู่ใต้ผิวหนังแล้วไม่มีอะไรน่าดูเลยอย่างก็จะไม่หลงไหลมีอยากมีฟงมีแฟน ให้เสียเวลามีแฟนก็เหมือนกับไปเอาโครงกระดูกก็มาเป็นแฟนนะนี่เอาตับตายลำไส้เอาปอดเอาหัวใจของเขามาเป็นแฟนแต่มองไม่เห็นถูกหนังหุ้มห่อไว้เห็นแต่ภายนอกเห็นแต่ขนเห็นแต่ผมเห็นแต่เล็บเห็นแต่ฟันเห็นแต่หน้าตาเห็นจมูกเห็นริมฟีปากก็เห็นก็หลงไหลชอบ แต่ถ้ามาศึกษาความจริงของร่างกายเนี่มันจะกำจัดความอยากในร่างกายของคนอื่นได้อยากความอยากจะมีแฟนนี่จะหายไปหมดนะแล้วความความอยากในร่างกายของตนก็จะเบาลงเมื่อก่อนอยากให้สวยให้งามให้เป็นหนุ่มเป็นสาวไปนานๆไม่มีความแก่แต่พอมาศึกษาดูความจริงของร่างกาย ร่างกายอายุสามสิบเป็นอย่างไรสี่สิบเป็นอย่างไรห้าสิบเป็นอย่างไรหกสิบเป็นอย่างไรจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจะเริ่มเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันไม่มีใครห้ามได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม จะเป็นมหาเศรษฐีก็ห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เป็นขอทานก็ห้ามไม่ได้เรื่องของร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นใครเหมือนกันหมดขอทานกับมหาเศรษฐีคนสามัญกับคนคนที่มีตำแหน่งมียศต่างๆสำหรับร่างกายของคนนี้เหมือนกันทุกคน อยู่ภายใต้กฎของใจรักเหมือนกันหมดอันนี้จังไม่เที่ยมมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปอนัตตาไม่มีตัวตนในร่างกายร่างกายเป็นเพียงอาการสามสิบสองไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในร่างกายอันนี้มีแต่จิตที่มาหลงมาเกาะแล้วก็มาคิดว่าเป็นร่างกายร่างกายนี้ มีจิตใจเป็นผู้มาครอบครองจิตใจที่หลงไหลไปกับร่างกายหลงไหลไปคิดว่าจิตใจเป็นร่างกายแล้วก็ยึดติดกับร่างกายแล้วก็เกิดความรักความห่วงเกิดความห่วงในความเป็นไปของร่างกายเวลาร่างกายจะเป็นอะไรก็เกิดความวิตกขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมามทั้งๆที่ ผู้ที่วิตกผู้ที่กลัวนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยใจนี้ไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตายแต่เพราะขาดความรู้ทางความเป็นจริงของร่างกายไม่รู้ว่าใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้มาเกาะร่างกายเกาะด้วยนามขันเกวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิน ด้วย ใ, ใจนี้ส่งวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายวิญญาณนี้ก็เป็นเหมือนกับเครื่องเช่นในโทรศัพท์เรามีของที่มาเสียบกับมาเสียบกับตัวโทรศัพท์อยากจะชาร์จไฟก็มีสายชาร์จแบต อ, อยากจะฟังผ่านทางหูฟังอยากจะพูดผ่านทางไมโครโฟน ก็มีสายเสียบก็ไปเออันนี้ก็เหมือนกันใจก็มีสายมาเสียบที่ตาหูจมูกลินกายเพื่อที่จะได้รับภาพที่ตาไปมองเห็นพอตาเห็นภาพเอ๊บถ้าวิญญาณมาเกาะที่ตาที่เรียกว่าจักขุวิญญาณเอภาพก็จะวิ่งเข้าไปที่ใจไปที่ผู้รู้ผู้คิดทันทีพอผู้ผู้รู้รู้ว่ามีภาพเข้ามาก็จะคิดว่าเป็นภาพอะไร ดีไม่ดีถ้าเป็นภาพที่ดีก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากได้ภาพนั้นถ้าเป็นภาพที่ไม่ดีก็อยากจะลบทิ้งบางทีถ่ายภาพไม่ดีก็กดลบเลยอันนี้ผู้สั่งนี้ก็คือใจนี้เองใจเป็นผู้ที่ส่งวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มารับรูปเสียงกลิ่นรส ที่มาทางตาหูจมูกเล่นกายแล้วก็ไปดีใจไปเสียใจไปสุขไปทุกข์กับสิ่งที่ร่างกายเป็นผู้รับมาให้กับใจเท่านั้นเองใจก็เล่นกับมันเหมือนกับเหมือนกับสมัยนี้เราเล่นเกมกัน เ, นเราเล่นเกมเหมือนกับเราอยู่ในเกมเลยขับรถแข่งกันเข้าสงครามยิงกันตูมตาม ดีใจเสียใจไปกับเกมที่เราเล่นฮะทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ใจเราก็ยังอดตื่นเต้นไปแ k บเหตุการณ์นั้นไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยร่างกายเราเป็นเหมือนอตัวที่เล่นอยู่ในเกมนี่แหละแล้วใจเราก็สั่งให้ตัวเล่นตัวนี้ไปทำอะไรต่างๆสั่งให้ร่างกายไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเวลาได้มาก็ดีใจ พอเวลาเสียไปก็เสียใจไม่รู้ว่าเป็นเพียงเกมเท่านั้นเองใจไม่ได้ไม่มีความที่จะไปคร อ, อบครองมันได้เหมือนกับคนเล่นเกมนี้รู้ว่าตัวเองไม่ได้เข้าไปอยู่ในเกมหรอกตัวเกมจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรแข่งรถชนะได้รางวัลหรืออะไรทาสงครามต่อสู้อะไรต่างๆ ชนะกี่ร้อยครั้งกระามมันก็เป็นเพียงเกมเท่านั้นเองเป็นเพียงการเล่นการกระทำอะไรต่างๆของร่างกายที่ร่างกายได้มานีใจไม่ได้หรอกได้เงินทองมากี่ร้อยล้านพันล้านก็อยู่ที่ร่างกายนี้แหละตัวใจที่สั่งให้ร่างกายไปหาเงินมาร้อยล้านพันล้านก็ไม่ไม่ได้แตะร่งไม่ได้แตะเงินทองแม้แต่บาทเดียวเพียงแต่รู้ว่าออตอนนี้มี ร่างกายนี้มีความสามารถที่จะไปเอาเงินทองมาได้แล้สามารถเอาเงินทองนี้ไปซื้ออะไรตามที่ใจอยากให้ซื้อเท่านั้นเองแต่ซื้อมาเท่าไหร่ก็อยู่ที่ร่างกายไม่ได้มาถึงใจใจไม่เคยครอบครองสิ่งต่างๆที่ร่างกายไปหามาได้เลยแล้วพอร่างกายตายไปใจก็เกมก็จบหรือเครื่องก็เสีย เมือนเราเล่นไปเรื่อยๆ เ, เกมที่เราเล่นนี้เดี๋ยวพอเครื่องเสียเรื่องราวต่างๆที่ได้อยู่ในเกมก็หมดไปถ้าอยากจะเล่นใหม่ก็ต้องไปหาเครื่องเล่นอันใหม่ไปหาโตไปไปหาเครื่องมือถือเครื่องใหม่มาเล่นใหม่ร่างกายนี้เป็นเหมือนเกมจิตใจเป็นผู้เล่นเกมเข้าใจไนหะ ใจิตใจนี้ใช้ร่างกายให้ไปทําอะไรต่างๆเหมือนกับที่เร า, าใช้ตัวเล่นในเกมเนี่ยไปให้ไปแข่งรถให้ไปทําสงครามให้ไปบินเครื่องบินลื่นไปทําอะไรต่างๆนี่นี่ก็คือร่างกายของเราเนี่ยเป็นตัวเล่นเกมกันตัวที่ถูกสั่งให้เล่นผู้เล่นเกมก็คือจิตใจนี่ที่สั่งให้ร่างกาย ไปทำนูน่นทำนี่อยากจะมีเงินมีทองก็ต้องไปเรียนไปเรียนหนังสือก่อนถ้าไม่ไปโรงเรียนไม่มีวิชาความรู้ก็ไม่มีความสามารถที่จะหาเงินทองที่จะมาซื้อของต่างๆให้มาเล่นกันนั่นเองก็เลยต้องไปเรียนหนังสือก่อนเรียนหนังสือแล้วก็จะมีความรู้ความสามารถที่จะไปหาเงินทองมา เพื่อที่จะซื้อของต่างๆที่จําเป็นและไม่จําเป็นของจําเป็นก็คือปัจจัยสี่ต้องไปซื้อพวกอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย mm hmm. เพื่อที่จะให้ตัวเกมนี้มันไม่มีปัญหา mm hmm. ถ้าร่างกายมันเกิดขาดปัดจจัยสี่เดี๋ยวมันก็ตายถ้าตายใจก็เล่นเกมไม่ได้ mm hmm. เพราะตัวเล่นเกมมันตาย mm hmm. เลยต้องเลี้ยงตัวนี้ก่อน ขั้นแรกนี้การทำงานหาเงินหาทองนี้ก็เพื่อมาหาหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงให้กับร่างกายแล้วพอร่างกายาได้ครบแล้วทีนี้ก็เอาเงินส่วนเหลือนี้ไปเล่นเกมอย่างอื่นอยากไปเล่นเกมท่องเที่ยวก็พามันไปท่องเที่ยวอยากจะไปเล่นเกมครอบครัวก็ไปมีครอบครัวมันเป็นเกมทั้งนั้นน่ะ ชีวิตของพวกเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราคิดว่าเป็นของจริงแต่มันเป็นแค่เกมเพราะเดี๋ยวมันต้องมีวันจบเดี๋ยวตัวเล่นเกมมันแก่เจ็บตายมันก็จบคนที่เล่นเกมก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาเล่นต่อเปลี่ยนเราเล่นเกมมากันไม่รู้กี่แสนกี่ล้าน เ, าเกมแล้วเปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่แสนกี่ล้านร่างกายแล้ว พอร่างกายนี้ตายไปอใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจผู้ที่เป็นผู้เล่นเกมก็ต้องไปหาตัวตัวเกมมาเล่นเอหาร่างกายมาเล่นต่อพอได้ร่างกายมาก็สั่งให้มันไปเล่นเกมชนิดต่างๆอตอนต้นก็เป็นเล่นเกมเป็นนักเรียนก่อนเป็นขั้นเวลากําลังเจริญเติบโตก็ไปเล่นเกม เป็นนักเรียนไปแย่งกันเรียนแย่งโรงเรียนแย่งอะไรกันถ้าได้เข้าโรงเรียนที่ถูกใจก็ดีใจพอไม่ได้เข้าโรงเรียนที่ถ <before S 1> ูกใจก็เสียใจพอผ่านโรงเรียนก็ไปเข้าแย่งกันเข้ามาห า, ar, มาลัยกันอพอผ่านมหาลัย<ๆ>ก็ไปแย่งกันหางานทําอีกมันเป็นเกมที่แย่งกันตลอดเวลาแย่งกันไปแย่งกันมาเอ แล้วพอจบแล้วทีนี้ก็ไปเล่นอย่างอื่นได้อยากจะไปเป็นเล่นหมอก็ไปเป็นหมออยากจะเป็นดาราภาพยนตร์ก็ไปเล่นเป็นดาราภาพยนตร์ก็เล่นกันไปตามความอยากชอบเกมไหนก็ไปเล่นเกมนั้นกันเป็นไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเล่นคือร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายแล้วมันก็เล่นไม่ได้ตอนนั้ น, นคนอยากจะเล่นเกมก็ทุก เพราะว่าตัวตัวเกมมันบอกไม่ไหวแล้วเล่นไม่ได้จะให้มันไปขับรถแข่งมันก็ไม่เอาละจะให้มันไปต่อสู้กับคนนั้นคนนี้มันก็ไม่เอาละจะให้มันไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มันก็ไม่ไปละมันอยากจะไปโรงพยาบาลอย่างเดียวเพราะมันจะคอยไม่สบายอยู่เรื่อยไปหาหมอไปหายาอยู่เรื่อยแล้วเดี๋ยวมันก็ตายไป พอตายไปสิ่งต่างๆที่หามาได้จากการเล่นเกมนี้ก็หมดไปใจก็ไม่เอาอะไรไปเลยเงินทองที่ร่างกายนี้หามาให้ได้เท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้เลยเวลาไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเกมใหม่เอาเอาเครดิตเก่าไปไม่ได้เอาเงินทองต่างๆที่หามาไปไม่ได้ หาลาบยศลาบยศสรรเสริญที่หามาได้นี้เอาไปไม่ได้เลย <c oughs> นี่คือการมาเรียนรู้มาศึกษาความจริงเกีเ่ยวกับชีวิตของเราเกี่ยวกับจิตใจของเราถ้าเราไม่ได้มาศึกษาเนี่ยกรรมาฐานเนี่ยก็เป็นการมาศึกษากรรมาฐานมาทํามาศึกษาให้เรารู้ว่า เ, เราคือใครกันแนะ่ ถ้ามาศึกษาจากพระพุทธเจ้านะท่านจะสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเนร่างกายนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟธาตุสี่พอธาตุสี่มารวมกันก็มาแปลงเป็นผมขนเล็บฝันเนผมก็มาจากธาตุสีเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่ก็มาจากธาตุสี่ ธาตุสี่ก็มาผ่านทางอาหารที่เรากินเข้าไปน้ำที่เราดื่มเข้าไปลมที่เราหายใจเข้าไปแล้วความร้อนที่เราได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นาธาตุไฟขึ้นมาทำให้ปรากฏมีร่างกายนี้ขึ้นมานเวลาเริ่มต้นก็ร่างกายก็ตัวนิดเดียวไม่ได้ไม่ได้อยู่จูๆ่ๆก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเลยต้องค่อยๆ เสริมชิ้นส่วนแต่ละอันไปศึกษาดูเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่แค่เป็นเซลล์สองเซลล์เซลล์มารวมกันเทนั้นเองเมื่อมารวมกันนะมันก็ขยายสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดเป็นสิบหกแล้วก็ขยายไปเป็นส่วนต่างๆต่อไปเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อพอมีอาการครบสามสิบสอง พอเริ่มเจริญเติบโตจนไม่สามารถอยู่ในคันได้ก็ต้องออกมาจากคันเพื่อที่จะได้เจริญเติบโตต่อไปได้ออกมาจากคันก็เติมอาหารเติมดินน้ำลมไฟอย่างต่อเนื่องหายใจทุกเวลาธาตุลมนี่เราเติมอยู่ตลอดเวลาธาตุไฟก็ต้องมีตลอดเวลาร่างกายอุณหภูมิจะต่ำกว่าอุณหภูมิที่ร่างกายต้องมีไม่ได้ ถ้าตามกว่าเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายต้องมีธาตุไฟไว้คอยคอยให้รักษาให้ร่างกายนี้อยู่ได้ต้องมีธาตุลมต้องมีธาตุน้ำน้ำนี่ต้องเดิมอยู่เรื่อยๆทั้งวันเนี่ยธาตุดินก็เติมดินธาตุดินดนี่ไม่ต้องเติมบ่อยเหมือนกับธาตุลมกับธาตุน้ำธาตุดินนี่เติมวละสามครั้งก็พอกินข้าววละสามมื้อก็พอ แต่ลมหายใจนี่หายใจทุกวิตลอดเวล า, าหนึ่งนาทีนี้เท่าไหร่หกสิบครั้ง เ, เหรออกอน้ำก็น้อยหน่อยน้ำก็ถี่น้อยกว่าลมแต่มากกว่านะมากกว่าดินไฟนี้ก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลาร่างกายถึงจ ะ, จะเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาได้แล้วมันก็จะเจริญเติบโตจน เต็มความสามารถของมันพอมันเต็มความสามารถแล้วมันก็จะไม่โตไปกว่า น, นั้นนะทีนี้แทนที่มันจะโตมันก็จะใหญ่ขึ้นแทนมันจะขยายออกทางด้านข้างตอนต้นก็ขยายทางด้านสูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆความสูงก็สูงไปจนกระทั่งสูงสุดที่มันจะสูงได้ ทีนี้ถ้ามันจะโต่า น, นั้นมันก็ต้องขยายออกทางด้านข้างแขนขาใหญ่ขึ้นท้องใหญ่ขึ้นอะไรใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะถึงจุดเต็มที่ของมันแล้วต่อจากนั้นมันก็จะเริ่มนับถอยหลังจะเริ่มเหี่ยวลงเริ่มเริ่มพร้อมลงเริ่มแก่ลงเริ่มอะไรต่างๆเริ่มหดลง น, นี่คือธรรมชาติของร่างกายนี่ธรรมชาติของดินน้ำลมไฟที่มีการรวมตัวแล้วก็มีการแยกตัวกันในเบื้องต้นการรวมตัวนี้มีมีมีกําลังมากกว่าการแยกตัวแต่พอไปผ่านถึงขั้นสูงสุดของการรวมตัวแล้วทีนี้การแยกตัวมันก็จะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ร่างกายมันก็เลยเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวในที่สุดมันก็แยกกันออกอย่างถาวรคือตอนที่ไม่มีลมเข้าแล้วเนี่ยเป็นการเริ่มต้นของการแยกของธาตุสี่พอไม่มีลมเข้าทีนี้มีแต่ลมออกอย่างเดียวน้ำก็เข้าไม่ได้ละมีแต่ออกอย่างเดียวไฟก็เข้าไม่ได้ละมีแต่ออกอย่างเดียวทิ้งไว้นา น, านๆเดี๋ยวก็เหลือแต่ ส่วนที่เป็นดินนะร่างกายก็แห้งกรอบทิ้งไปต่อไปก็จะก็จะกลายเป็นฝุน่นกลายเป็นดินไปกลับไปสู่ที่เดิมของร่างกายคือดินน้ำลมไสอันนี้เนี่ยเรียกว่ากรรมฐานงานของผู้ปฏิบัติต้องศึกษาศึกษามากกว่าการศึกษาของแพทย์ แพายเพียงแต่ศึกษาเพื่อไปสอบเท่านั้นเองพอสอบเสร็จผ่านป๊อปก็ไม่ต้องศึกษาแล้วบางทีลืมเลยเคยเรียนอะไรวิชาระบางวิชามาพอไม่ได้ใช้ต่อไปก็ลืมเพราะไปเรียนเฉพาะทางจะไปรู้แต่เฉพาะเรื่องเรื่องของร่างกายนี้ที่เคยเรียนรู้มาก็หายไปจากความรู้สึกนึกคิดถ้าอยากจะรู้อีกทีต้องมาเปิดตําราดูนะเปิดหนังสือดู แต่การปฏิบัติกรรมฐานนี้ลืมไม่ได้กรรมฐานนี้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้ลืมให้รู้ตลอดเวลาพอถ้าไม่รู้ปั๊บก็แสดงว่าหลงพอไปคิดว่าร่างกายเป็นเรานี้ปั๊บเมื่อไหร่หลงทันทีทุกทันทีพอไปคิดว่าร่างกายเป็นเราปับ๊บเนี่พอร่างกายเจ็บปั๊บนี่ใจทุกข์ขึ้นมาทันทีใจเดือดร้อนขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไม่หลงไม่ลืม รู้ว่าร่างกายมันเป็นเพียงแต่ตัวเล่นตัวละครตัวเกมเท่านั้นเองมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันห้ามมันไม่ได้ทำได้อย่างมากก็รักษามันไปตามความสามารถรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปมันเจ็บก็ต้องอยู่กับมันไปแต่ใจไม่ต้องไปเจ็บกับร่างกายถ้าใจรู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายตลอดเวลา ถ้าใจรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเหมือนกับรถยนต์เนี่ยรถยนต์ก็ทำมาจากดินโลหะต่างๆวัตถุต่างๆนี่ก็เป็นดินน้ำก็มีน้ำที่ใช้ในรถยนต์ก็มีน้ำมันมีน้ำระบายความร้อนรถยนต์ก็มีดินน้ำลมไฟเหมือนกันใช่ไหมต้องมีอากาศมีลมเข้าไปถึงจะมีการทำงานของเครื่องยนต์ได้ต้องมีความร้อน รถเวลาหนาวๆเนี่ยสตาร์ทไม่ติดใช่ไหมอากาศเย็นๆเนี่ยสตาร์ทไม่ติดเนี่ต้องพยายามสตาร์ทอยู่พักหนึ่งให้มันร้อนมันถึงจะติดนะรถยนต์กับร่างกายก็เหมือนกันเป็นระบบดินน้ำลมไฟเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมันมันเป็นคนละรูปแบบเท่านั้นเองแต่โดยหลักการแล้วมันมีดินน้ำลมไฟเหมือนกันร่างกายก็ใช้ดินน้ำลมไฟในการที่จะให้มันอ อยู่ได้รถยนต์ก็ต้องมีดินน้ำลมไฟมันถึงจะทํางานได้ถ้าขาดน้ําเดี๋ยวหม้อน้ําก็เดี๋ยวเครื่องก็ร้อนเครื่องก็เครื่องก็พังต้องมีน้ําหล่อเลี้ยงคอยระบายความร้อนถ้าไม่มีน้นนํา ม, ม, มันเครื่องยนต์ก็ไม่ติดะถ้าไม่มีน้ํามันเครื่องเครื่องมันก็จะเดี๋ยวมันก็มันก็จะเสียเพราะไม่มีน้ํามันมาคอยอหล่อลื่น เครื่องสูบต่างๆรถยนต์นี้กับร่างกายก็เหมือนกันใจกับคนขับรถก็เหมือนกันคนขับรถนี้ก็รู้อยู่คนขับรถนี้โชคดีอย่างอย่างคือรู้ว่ารถรถยนต์ไม่ใช่เป็นคนขับรถเคนขับรถจึงไม่ค่อยทุกข์กับรถยนต์เท่าไหร่ใช่ไหมรถยนต์เสียก็เสียไปซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ขายไปเปลี่ยนรถใหม่อไม่ทุกข์กับรถยนต์เท่าไหร่ แต่ใจนี่มันมันไม่โชคโชคไม่ดีมันไม่รู้ว่ามันไม่ได้เป็นร่างกายมันไม่รู้ว่ามันเป็นคนขับร่างกายเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกเกิดมาทุกคนก็คิดว่าร่างกายเป็นใจใจเป็นร่างกายผู้คิดผู้รู้ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรนี้เป็นร่างกายไปด้วยเป็นตัวเดียวกันมันก็เลยเดือดร้อนกับความเป็นไปของร่างกายร่างกาย เจ็บก็ใจก็ทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะอะไรเพราะอยากให้มันหายเจ็บไม่อยากให้มันเจ็บแต่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายไม่เป็นเรามันเจ็บเราก็รู้ว่ามันเจ็บเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากซ่อมมันหายามาให้มันกินก็เหมือนกับเรารู้รถยนต์เนี่ยรถยนต์มันเสียเราก็รู้ว่ามันเสียยางแตกเราก็รู้ว่ามันแตกแต่เราไม่ค่อยทุกข์ไปกับความแตกของยาง หรือเวลารถมันเสียเพราะเรารู้ว่าเรายัางเป็นปกติอยู่คนขับยังไม่ได้เป็นไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยตามไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของรถยนต์รถยนต์ยางแตกก็ไปเปลี่ยนยางเท่านั้นเองรถยนต์เสียก็เข้าอู่ให้เขาซ่อมเอแต่เราไม่ได้มองร่างกายแบบรถยนต์เพราะเราไปมองว่าร่างกายเป็นเรา พอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมานี้เราไม่ต้องการให้มันเป็นเราก็เลยทุกข์กันปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราไม่อยากให้มันเป็นอะไรแต่เราไม่รู้ธรรมชาติของร่างกายว่ามันก็เป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์ซื้อมาใช้ไปเดี๋ยวมันก็ต้องเสียของทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จะใหม่เหมือนตอนที่ซื้อมาตลอดเวลา ทุกสิ่งทุกอย่างพอเริ่มใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเก่าลงไปชำนุดทุดโทรมแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียร่างกายของเราก็เหมือนกันก็เป็นเหมือนกับเครื่องไม้เครื่องมือหรือรถยนต์ที่เวลาได้มาใหม่ๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้ตลอดเวลาซื้อมือถือใหม่ๆนี้ใช้ได้ดีไหมใช้ไปสักพักเราเดี๋ยวเริ่ม ล, วล้วนละ เดี๋ยวแบตเสียละ่ะเดี๋ยวอะไรเสียแล้วอันนี้ก็เหมือนการร่างกายมันก็เป็นเหมือนเครื่องไม้เครื่องมือชนิดหนึ่งเราคนที่ใช้มันเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันอันนี้แหละเป็นกรรมฐานเป็นความรู้ที่เราจะต้องมาศึกษาให้รู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายเราผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเลย เราต้องมาสอนผู้รู้ผู้คิดว่าอย่าไปคิดว่าเป็นร่างกายอย่าไปเจ็บไปกับร่างกายเจ็บร่างกายก็ให้รู้ว่ามันเจ็บอย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บเพราะความอยากไม่เจ็บนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจเจ็บใจทุกข์ขึ้นมาเหมือนกับรถยนต์ถ้าไม่อยากให้มันเสียคนขับรถก็กจะทุกข์ได้เวลาอยากจะให้รถมันดีแต่พอรถมันเสียก็ ปวดหัวขึ้นมาได้เหมือนกันนะคนขับเพราะว่าต้องอาศายัยรถต้องไปทํางานต้องไปอะไรพอรถมันเสียก็เลยเกิดความไม่สบายใจไปกับรถได้เพราะความอยากให้มันไม่เสียอยากให้มันใช้ได้ตามที่เราต้องการตลอดเวลาแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายหรือรถยนต์นี้เดี๋ยวมันก็ต้องเสียเราจรึงต้องบางทีต้องมี แผนว่าลองรับเวลาลดเสียให้ทำยังไงแท็กซี่หรืออะไรก็ว่าไปอูบองอูเบอร์อะไร อ, อนี้ใช้แทนกันได้แต่ร่างกายมันใช้มันไม่มีตัวแทนนสปัญหาเาวลาร่างกายเสียนี่มันไม่มีอูเบอร์มารับไม่มีร่างกายที่เป็นอูเบอร์อามารับใช้เราต่อได้เรามีร่างเดียวท่านมีร่างกายอันเดียว แล้วถ้าเราไปพึ่งมันเราไปอาศัยมันเนี่ยเราก็จะต้องเครียดไปกับมันเวลาที่มันเป็นอะไรขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะไปเครียดอะไรกับร่างกายนี้เราต้องเลิกพึ่งมันเลิอกอาศัยมันวิธีที่จะไม่อาศัยมันก็คือเราต้องหาวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งอย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกาย ตอนนี้เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันเนี่ยสี่วันที่หยุดมานี้พาร่างกายร่างกายพาเราไปเที่ยวกันพาเราไปดูหนังฟังเพลงพาเราไปทำอะไรต่างๆที่เราอยากทำเราก็ได้รับความสุขจากการมีร่างกายแต่มันจะไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ทุกปีเนี่ยต่อไปอายุแปดสิบนี่ปีใหม่ก็จะไปแบบตอนที่อายุสี่สิบมันไปไม่ได้แล้ว แล้วเราก็จะเดือดร้อนถ้าเราไปพึ่งร่างกายงัย้นเราต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขดีกว่าหาความสุขแบบที่ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายวิธีนี้ไม่มีใครรู้จักนอกจากพวกนักบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนท่านก็ใช้ร่างกายเป็น เครื่องมือหาความสุขอยู่ในวังนี้ใครจะสุขเท่ากับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีปราสาทสามฤ ด, ดูมีผู้บริสัท์บริวารมาคอยรับใช้บริการทุกรูปแบบอยากจะดูบันเทิงอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรอยากจะเล่นเกมอะไรมีสารพัด ส, สารเพให้เล่นแต่ท่านก็ ฉลาดท่านไปมองเห็นอนาคตของร่างกายว่าต่อไปมันจะทําอย่างนี้ไม่ได้ตอนที่ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็เลยทําให้คิดว่าต้องหาวิธีหาความสุขแบบใหม่ดีกว่าก็เลยไปเห็นพวกนักบวชนะก็ถามก็เขาทําอะไรกันพวกนักบวชนี้ก็หาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย มีวิธีหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกายกันท่านก็เลยอย่างนั้นน่าจะดีกว่าเพราะต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บยังสามารถมีความสุขได้แต่ถ้าใช้ร่างกายมันจะมีความสุขไม่ได้ก็เลยตัดสินใจออกบวชออกบวชแล้วก็ไปศึกษาอยู่กับพวกนักบวชสมัยนั้นพวกนักบวชเขาก็ รู้จักวิธีหาความสุขแบบไม่ใช้ร่างกายแต่เป็นแบบชั่วคราวเป็นแบบพักๆไปช่วงที่นั่งสมาธิเข้าฌานทำใจให้สงบช่วงนั้นใจก็มีความสุขไม่ว่าจะร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ก็ตามใจหาความสุขได้แต่ต้องเข้าไปในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมานี้ต้องมาอยู่กับร่างกาย พอร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ใจก็ไม่สุขแล้วยังทุกข์อยู่ไม่มีใครรู้วิธีว่าทำยังไงทำให้ใจไม่ต้องมาทุกข์กับความเจ็บความแก่ของร่างกายกับความตายของร่างกายหรือกับความอยากต่างๆเวลาออกจากสมาธิมาเดี๋ยวเผลอเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้ก็อยากได้ขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ก็ใจก็ไม่สบาย เวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากใจก็หงุดหงิดนำคาญใจสมัยนั้นไม่มีใครรู้ว่าทำยังไงจะทำให้ไม่หงุดหงิดไม่นาคาญใจกับความอยากต่างๆเวลาออกจากสมาธิถ้าอยากจะให้ใจมีความสุขก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่แต่ทีนี้มันก็เข้าไปได้เป็นพักๆมันไม่สามารถเข้าได้ตลอดเวลา เพราะร่างกายมันต้องมีการเคลื่อนไหวมีการกินการดื่มการขับการถ่ายจะให้อยู่ในสมาธิตลอดเวลาก็ทำไม่ได้ก็ต้องมีเวลาที่จะต้องออกมาดูแลร่างกายพอออกมาดูแลร่างกายก็ต้องมาทุกกับร่างกายตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าทำยังไงไม่ต้องทุกกับร่างกายตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิไม่ต้องทุกกับสิ่งที่ไปเจอไปเห็น มีพระพุทธเจ้าที่ในที่สุดก็ไปค้นคว้าหาความจริงก็ค้นพบว่าความไม่สบายใจต่างๆหลังเวลาที่ออกจากสมาธิมาเกิดจากความอยากของใจนี่เองอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่มันห้ามไม่ได้ของเหล่านี้จะไป ห, ห้ามไม่ให้คนก็คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร จะไปห้ามไม่ให้เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไงอไปห้ามฝนฟ้าอากาศได้ไหมไม่ได้นะในที่สุดพระองค์ก็ทรงสรุปว่าทุกสิ่งนุกอย่างเปนเหมือนดินฟ้าอากาศถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ไม่ค่อยเดือดร้อนกับดินฟ้าอากาศกันไงเพราะเรารู้ว่ามันเหนือวิสัยของเราที่เราจะไปทําอะไรได้ ฝนจะตกเราก็ห้ามมันไม่ได้แดดจะออกก็ห้ามมันไม่ได้พระองค์ก็สรุปว่าทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนธรรมชาติไปหมดเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไปหมดไม่ว่าจะเป็นคนเป็นเหตุการณ์เป็นวัตถุเป็นข้าวของอะไรทั้งนั้นมันเป็นของมันไปตามเรื่องของมันไม่มีใครไปกําหนดไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการได้เสมอไปอาจจะทําได้บ้างบางครั้งบางเวลาเท่านั้นเอง เช่นร่างกายบางทีก็ยังพอประครับประคองให้มันมีกําลังวังชาให้มันทําอะไรอย่างที่เคยทําได้แต่เดี๋ยวมันจะต้องเจอวันที่มันทําอะไรไม่ได้เวลาเจ็บมากๆปวดมากๆไม่มีกําลังวังชาที่จะลุกไปทําอะไรแต่ใจนี้สามารถที่จะไม่ทุกข์กับมันได้ถ้ายอมรับมันคิดว่ามันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศฝนมันจะตกก็อยู่กับฝนตกไปใจก็ไม่เดือดร้อน ถ้าอยากให้ฝนไม่ตกนี้วุ่นวายเช่นวันนี้จะจัดงานเลี้ยงที่ในสนามหญ้าและฝนฟ้ากระทำท่าจะมาท่านี้ใจก็ไม่สบายแล้วเพราะไม่อยากให้ฝนมันตกยิ่งถ้าตกออยิ่งยิ่งโมโหยิง่งยิ่งเสียใจใหญ่แทนที่จะจัดงานเลี้ยงกันก็จัดไม่ได้ต้องยกเลิกไปอย่างปีใหม่นี้บางแห่งฝนตกตอนตีตอนเ้าดาวก็เลยต้องเลิก ไม่มีการเล่นไฟกันเพราะเล่นไม่ได้ฝนมันตกแต่เขารู้ว่าเป็นฝนเขาก็เลยยอมรับกันไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนมาห้ามนี้เดี๋ยว โ, โหโมโหแน่ๆเดี๋ยวต้องเป็นเรื่องนี้แน่ถ้าใครมาห้ามไม่ให้จัดงานจุดผู้ไฟกันนี่วันปีใหม่ใครจะมาห้ามได้นอกจากดินฟ้าอากาศเท่านั้นที่จะห้ามได้แล้วไม่มีใครเดือดร้อน ที่พวกเราทุกวันนี้เดือดร้อนเพราะเราไม่มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้สั่งได้แต่พอควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้ก็ไปโกรธใ้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้ดีไม่ดีก็ไปทาร้ายสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้บังคับไ่ได้แล้วก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาพอเราไปทาร้ายเขาเขาก็กลับมาทาร้ายเรา แต่ถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเหมือนดินน้ำลมไฟก็ช่างหัวมันฝนมันจะตกก็ให้มันตกไปแดดมันจะออ ก, กใกล้มันออกไปใครจะทำยังไงก็เรื่องของเขาเราก็คอยหลบอย่างเดียวถ้าฝนตกเราก็หาที่หลบใช่ไหมแดดร้อนเราก็หาที่หลบกันคนที่ทาอะไรที่เราไม่ไม่เป็นไปตามที่เราอยากเราก็อย่าไปอยู่ใกล้เขาก็แล้วกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่เราไม่คิดอย่างนั้นเราคิดว่าจะบ้องไปเปลี่ยนเขาให้ได้เพราะเราคิดว่าเราใหญ่กว่าเขามีกำลังมากกว่าเขาพอสั่งให้มันทำมันไม่ทำก็ต้องบังคับมันพอมันสู้ก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาหรือถ้ามันไม่ยอมทําเราก็โกรธมันนี่แหละปัญหาอยู่ที่ว่าใจเราไม่เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้นเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นธรรมชาติหมด เราไปแยกว่าบางส่วนเป็นธรรมชาติบางส่วนไม่เป็นธรรมชาติส่วนธรรมชาติเรายอมรับมันแต่ส่วนที่ไม่เป็นธรรมชาตินี้เราไม่ยอมรับมันเช่นร่างกายของเรานี้เราไม่ยอมรับว่ามันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ไปตลอดเรายังอยากจะไปควบคุมบังคับมันอยากจะรักษาโรคทุกชนิดให้มันหายรักษาไงเดี๋ยวมันก็ไปเจอโรคใหม่อย่างดีย มีโลกให้หมอมาปวดหัวอยู่เรื่อยๆใช่ไหมโรคเก่าๆที่รักษาได้ก็รักษาไปแต่เดี๋ยวมันก็มีโรคใหม่โผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนี่คือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้แล้วมันมีมันมีเหตุมีผลมีอะไรของมันที่มันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแต่เราสามารถที่จะไม่ไปเดือดร้อนไปทุกข์กับมันได้ ใจเราจะสงบมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องถ้าเรารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติหรือยอมรับว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศปล่อยมันเป็นไปมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปเท่านั้นเองเราไม่ได้เป็นอะไรกับให้กับมันเราเป็นผู้รู้ผู้คิดตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตาย แต่เราไปหลงกับสิ่งที่เราได้มาเป็นของเราอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดเท่านั้นเองแต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราไปได้ตลอดในที่สุดทุกอย่างก็ต้องกลับไปสู่ดินน้ำนมไฟเลื่อกับไปสู่คนอื่นจนเวลาร่างกายนี้กลับไปสู่ดินน้ำนมไฟทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่างๆที่เราหามาได้ลูกหลานสามีภรรยานี่ไปหมด มันรู้ไปไหนละเขาจะไปไหนก็แต่เราไปกับเขาไม่ได้แล้วลเราเขาไปกับเราไม่ได้ถ้าเรารู้อย่างนี้ไว้ล่วงหน้าเราก็จะได้ทำใจไว้ว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องอยู่คนเดียวแล้วถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขเราก็มาหัดทำใจให้สงบกันมาควบคุมความอยากความคิดอย่าไปคิดอย่าไปอยากแล้วใจจะนิ่งจะสงบจะมีความสุข จะอยู่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีข้าวของเงินทองไม่ต้องมีสามีภรรยาไม่ต้องมีอะไรต่างๆอย่างที่เราทุกคนกําลังหากันอยู่นี่เพราะเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องใช้อะไรเนี่ยเราโชคดีเราได้มาเจอพระพุท ธ, ธาศาสนาเจอพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ ที่เป็นผู้ที่ได้ค้นพบวิธีที่จะอยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรใหมานั่งเฉยเฉยท่นเองแล้วความสุขจะมาหาเราเองอย่าไปวิ่งหาความสุขวิ่งวิ่ ง, งหามันมันยิ่ ง, ว, งวิ่งหนีเราถ้าเรานั่งเฉยเฉยอยู่เฉยเฉยไม่ไปโลภไปอยากได้อะไรเดี๋ยวความสุขมันจะมาหาเราเองเ ช, ชื่อั้ยไม่เชื่อลองทำดูเลยลองไปนั่งพุโทโธพุทโธดูหยุดความโลภหยุดความอยาก เดี๋ยวพอจิตสงบปั๊บความสุขมันปรากฏขึ้นมาทันทีนี่แหละความสุขที่แท้จริงไม่ต้องหายิ่งหายิ่งไม่เจอเหมือนวิ่งตะคุบเงายิ่งไล่ตะคุบเงาเท่าไหร่มันยิ่งหนีเราไปเรื่อยๆพอเราหยุดหยุดวิ่งไล่มันมันก็หยุดเองมันก็จะไม่หนีเราถ้าอยากให้ความสุขอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ต้องทาอะไรให้อยู่เฉยๆให้มาหยุดความโลภความโกรธความหลง ด้วยการมาศึกษามาปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปฏิบัติมาเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงเราตื่นจากความหลงแล้วพวกเธอยังไม่ตื่นพวกเธอยังหลงไปกับสิ่งต่างๆอยู่ยังไปโลภไปอยากได้สิ่งต่างๆอยู่พวกเธอเลยยังไม่มีความสุขกันมีแต่ความทุกข์กัน นี่แหละคือเรื่องของทําไมเราต้องมาศึกษามาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเ น, นื่องเพราะเวลาใดที่เราไม่ได้ศึกษาปฏิบัติเวลานั้นความหลงมันจะมาหลอกเรา ท, ทันทีจะมาหลอกให้เราคิดว่าไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีอได้มาแล้วจะมีความสุขแต่มันไม่บอกว่าเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องเสียมันต้องหมดไปนี่เราจึงต้องมาคอยสอนใจให้รู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นเพียงของชั่วคราวเท่านั้นเอง เราจะได้หยุดความโลภความโกรธความหลงความอยากได้แล้วเราจะได้มีความสุขอย่างแท้จริงโดยต้องโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องหาเงินหาทองให้เหน็ดเหนื่อยความสุขอันนี้ไม่เสียเงินเสียทองเพียงแต่หยุดความโลภความโกรธความหลงให้ได้เท่านั้นเองจะหยุดได้ก็ต้องมีงานทำคือมีกรรมฐานเป็นงานของเราแล้วต้องทาแบบต่อเนื่องไม่มีวันหยุด ยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเองถ้าเราทำแบบพระพุทธเจ้าแบบพระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกได้เดี๋ยวเราก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นวิชาเดียวกันถ้าเรียนเหมือนกันเรียนเท่ากันมันก็ต้องได้ปริญญาเท่ากันปัญหาของพวกเราคือเรายัางไม่ยอมเรียนแบบพระพุทธเจ้าเรียนแบบพระอริยสงฆ์เรียนกันไม่ยอมปฏิบัติแบบที่ท่านปฏิบัติกันเท่านั้นเอง ถ้าเราทำได้แล้วรับรองได้ว่าเราก็จะได้ผลเหมือนกับที่ท่านได้รับดังนั้นขอให้เราลองมาศึกษาลองมาปฏิบัติกันแล้วพยายามพัฒนาจากระดับมื อ, อมือสมัครเล่นเข้าไปสู่มืออาชีพต่อไปเริ่มต้นก็ต้องเป็นมือสมัครเล่นก่อนืไม่มีใครจะเป็นมืออาชีพได้ทันทีทุกคนต้องผ่าน การเป็นมือสมัครเล่นไปก่อนแล้วพอเล่นแล้วรู้สึกว่ า, าดาีได้ประโยชน์ได้ความสุขก็อยากจะพัฒนาไปสู่มืออาชีพต่อไปอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยถาวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวอิโตทินังเปตาหนังอุปกาปติอิตชีตังปฏิตังต um ุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะหระโสยะามณีโชติหระโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินาจตุมาเตภวะตะวันตรายูสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาธานสีฤทธานิจังวุฒาประจายนินโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขางภาลัง <c oughs> <c oughs> วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ <c oughs> วันนี้ทางเฟซบุกเข้ามาสามร้อยแปดสิบสองยูทูบหนึ่งร้ยแปดสิห วิทยุออนไลน์25รับฟังครั้งบนนี้78คนรวมทั้งหมด671ครับ671 right, yeah. เจอนะเจิญถามภาษาไทยได้พูด <ผม S 1> ใกล้ๆปากเลยผมมีสองคำถามนะครับท่านอาจารย์คำถามแรกนะครับความสงบที่เกิดจาก <S S S จความสุขสงบที่เกิดจากสมาธิ แตกต่างกับความสงบสุขที่เกิดจากปัญญาหรือไม่นะฮะแล้วข้อที่สองพระอริยบุคคลเนี่ยเอาทีละข้อดีกว่าเดี๋ยวลืมครับเอาข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งครับความสุขสงบที่เกิดจากสมาธิกับปัญญานี้เหมือนกันต่างกันตรงที่มันมันถาวรหรือไม่ถาวรสมาธิมันชั่วคราวเวลานั่งสมาธินี้เหมือนกับได้ถึงนิพพานนะแต่เป็นนิพพานชั่วคราว เพราะว่ากิเลสที่มาคอยสร้างความทุกข์นี้มันยังไม่ได้ถูกทำลายมันเพียงแต่ถูกกดเอาไว้เป็นเหมือนหินทับหญ้าเวลาหินทับหญ้าหญ้าก็เหมือนตายงอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอเราเอาหินยกหินออกไปทิ้งไว้ระยะหนึ่งพอได้น้ำได้ฝนเดี๋ยวหญ้ามันก็งอกขึ้นมาใหม่ความสงบก็จะเหมือนกันความสงบนี้สงบเพราะว่าเราไปหยุดกิเลสตัณหาด้วยสติ แต่เราไม่ได้ไปถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหาเวลาออกจากสมาธิมาพอสติเผลอปับ๊บความอยากความโลภก็เกิดขึ้นมาความสงบก็หายไปถ้าอยากจะให้ความสงบนี้ไม่หายไปก็ต้องถอนลากถอนโคนของกิเลสตัณหาผู้ที่จะถอนลากถอนโคนของกิเลสตัณหาได้ก็คือปัญญาเพราะลากของกิเลสก็คือความหลงหรือความไม่รู้ ความไม่รู้ว่าความอยากนี่เป็นตัวที่มาทําลายความสงบแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยากได้มันได้มาแล้วก็จะทุกข์ไม่ไม่ใช่ว่าจะสุขอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ได้มาเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเปลี่ยนไปหมดไปถ้ามีปัญญาเห็นอย่างนี้ก็ทุกครั้งเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็สามารถที่จะหยุดความอยากได้ พอหยุดความอยากต่อไปความอยากก็หายไปหมดทีนี้ก็สงบตลอดเวลาไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ใจของตะวเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านสงบตลอดเวลาเหมือนในขณะที่ท่านเข้าไปในสมาธิแต่ท่านไม่ต้องเข้าในสมาธิเพราะไม่มีกิเลสที่จะมาคอยตอกวนจิตใจจิตใจก็เลยสงบตลอดเวลา ข้อที่สองข้อที่สองความสงบสุขในระดับปัญญาเนีฮะอาจารย์มันยังมีเวทนาเจือปอนอยู่หรือเปล่าครับอ๋อไม่มีแล้วคือเวทนามีอยู่แต่มันไม่มารบกวนใจคือร่างกายของพระพุทธเจ้ากับร่างกายของพวกเราเหมือนกันเจ็บไายได้ป่วยเหมือนกันยังมีทุกขเวทนาทางร่างกายอยู่ แต่ใจที่สงบไม่มีกิเลสตัณหานี้จะไม่ผลิตความทุกข์ขึ้นมาในใจเพราะใจไม่มีความอยากที่จะให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปเมื่อไม่มีความอยากความทุกข์ก็ไม่เกิดความทุกข์ในใจเกิดจากความอยากแต่พระพุทธเจ้าพระอรหัน์ยังสัมผัสกับความเจ็บของร่างกายเวลาเดินไปเตะก้อนหินก็เจ็บเหมือนกัน แต่ใจไม่เจ็บใจไม่เดือดร้อนเทนันใจเพียงแต่รู้เฉยๆแต่ถ้าเป็นคนมีเกิเอจะเจ็บทั้งสองอันเจ็บที่ร่างกายแล้วก็มาเจ็บที่ใจโมโหตัวเองหาเดินไปเตะหินได้งั <c oughs> <c oughs> นนี่ต่างกันตรงนั้นแต่ทุกอย่างของร่างกายนี้ เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันเวลาพระพุทธเจ้าวปวดท้องเราก็เวลาปวดท้องท่านพระพุทธเจ้าก็ปวดท้องแบบเดียวกันเราเพียงแต่ว่าใจท่านไม่วุ่นวายไปกับการปวดท้องแค่นี้หรือเวลาแก่แบบแบบคุณชายเดินแบบเมื่อกี้นี้ยะพระพุทธเจ้าก็ไม่เดือดร้อนกับมันมันจะเป็นอย่างนี้ก็อยู่กับมันไป เข้าใจไหมคุณชายนะมันเป็นอย่างนี้เราไปห้ามมันไม่ได้จะทำไงเข้าใจไหมก็แสดงว่าสำหรับภรรยาบุคคลเนี่ยขันเฉพาะฝ่ายนามเนี่ยขันฝ่ายรูปเนี่ยไม่ได้เป็นภาระท่านเลยใช่ไหมฮะไม่ไม่เวียนมันไม่ได้แต่ท่านไม่แบกไม่ไม่ไปแบกมันไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ใจท่านเลยไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนมีอีกไหมเดี๋ยวให้โอกาสคนอื่นถามเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์เดี๋ยวให้คนทางบ้านก่อนเดี๋ยวคําถามของอาจารย์ยาวเดี๋ยว อ, อาจารย์ถามแล้วเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ถามเดี๋ยวรอช่วงที่ว่างจากคําถามก่อนอต่อไปทางบ้านคําถามจากทางบ้านนะครับคุณมิกกี้ จากธรรมะที่พระอาจารย์ได้แสดงไว้เมื่อวานนี้ลําดับขั้นของการบรรลุธรรมซึ่งเรียงลําดับจากระดับต้นจนถึงระดับสูงสุดได้แก่เทวดาพรมพระโสดาบันและจนถึงพระอาหารหันต์นั้นคําถามนะครับในระดับพระโสดาบันหากข้าพเจ้าไม่ได้ฌานในขั้นสูงแต่มีการถวายทานอยู่เป็นประจำและรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์ ทั้งกายวาจาใจและมีปัญญาที่จะเข้าใจและยอมรับในกฎของไตรลักษณ์รวมถึงอริยสัจและมีจิตรักในพระนิพพานตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ข้าพเจ้าจะไม่สามารถข้ามจากระดับพรหมมาสู่ระดับพระโสดาบันไดเลยเลยครับ อ, อ้าวถ้าได้ระดับพรหมแล้วก็ข้ามไปได้แต่จะข้ามจากเทพไปสู่ โสดาบันนี่ไม่ได้ต้องผ่านขั้นระดับพรมไปก่อนจิตต้องมีสมาธิมีฌานก่อนถึงจะมีกำลังที่จะปล่อยวางร่างกายได้ที่จะสู้กับความอยากที่คอยยึดคอยติดกับร่างกายได้ความรู้นี้มันรู้เฉยๆแต่จะทำได้ไม่ได้อยู่ที่กำลังของจิตจิตจะทำตามความรู้ได้ก็ต้องมีฌานมีสมาธิ คำถามต่อไปจากคุณเจมส์ฟังธรรมะพระอาจารย์มาหลายปีรู้สึกเข้าใจง่ายอย่างน้อยที่สุดตอนฟังใจก็รู้สึกเป็นสุขเข้าใจในเรื่องทานศีลสมาธิมากขึ้นแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติเรื่องภาวนาเพราะสติยังไม่พอคำถามนะครับคือว่าสติ ตัวรู้ถ้าไม่นั่งสมาธิแต่รู้ตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่ตลอดเวลาทั้งวันจะทําให้มีสติและควบคุมสติได้ไหมครับหรือต้องนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวคือการนั่งสมาธิเป็นการทดสอบว่าเรามีสติจริงหรือไม่จริงนั่นเองถ้าเรามี ส, มมสติจริงเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบ ถ้านั่งแล้วจิตไม่สงบก็แสดงว่ายังไม่สติยังไม่เป็นสติที่ที่แท้จริงหรือสติที่มีกำลังพอที่จะทำให้ใจสงบได้ดังนั้นการนั่งสมาธินี้เป็นเพียงการเหมือนกับเป็นการทดสอบกำลังของสติว่ามีกำลังสติพอหรือยังถ้ามีพอแล้วจิตก็จะเข้าสมาธิได้ถ้าไม่พอก็ถ้าเข้าสมาธิไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่พอสู้กำลังของกิเลสตัณหาไม่ได้ กิเลสตัณหาจะคอยดึงให้ใจวุ่นวายให้คิดอยู่เรื่อยๆื่อสติคอยจะหยุดความคิดนั้นแล้วแต่ว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าฝ่ายหยุดมีกำลังมากกว่าจิตก็เข้าสมาธิได้ถ้าฝ่ายคิดฝ่ายอยากฝ่ายโลภมีกำลังมากกว่ามันก็จะเข้าไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณนัททูตอยากให้พระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับตัวจิต ตัวใจและตัวคิดให้เข้าใจง่ายๆถึงความแตกต่างเพราะผมนั่งสมาธิภาวนาไปหลายครั้งแล้วสับสนมากครับบางทีเหมือนจะเข้าใจบางทีก็สับสนขอพระอาจารย์ให้ความกระจ่างด้วยครับออตัวจิตตัวใจนี้ไม่ต้องไปเข้าใจอะไรให้รู้ว่ามันตัวคิดตัวรู้เท่านั้นก็พอไม่ต้องไปสนใจไปค้นคว้าอะไรเกี่ยวกับมัน หน้าที่ของเรามีอยู่เองได่ว่ามาสอนให้จิตมันหยุดตัวมันเองให้ได้เท่านั้นเองให้มันหยุดความคิดหยุดความอยากให้ได้แล้วปัญหาก็จะหมดไปส่วนจะไปรู้ว่ามันเป็นยังไงไม่เป็นยังไงนี้ไม่ไม่สำคัญขอให้รู้ว่าหยุดมันได้หรือเปล่าหยุดความคิดหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจได้หรือเปล่ายิ่งไปคิดถึงมันมันยิ่งไม่มันยิ่งคิดใหญ่ยิ่งคิดยิ่ง ส, Imam, สับสนยิ่งงงยิ่งคิดใหญ่เราไม่มีเราหยุดความคิดไม่ได้ ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของจิตให้รู้เปลียงแบบเข้าๆว่าจิตกับร่างกายเป็นคนละคนกันจิตเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเท่านั้นแล้วก็มาหาวิธีหยุดความคิดอย่าให้มันคิดพราอคิดแล้วมันฟุง้งมันวุ่นวายใจถ้าหยุดความคิดได้แล้วมันจะสงบมันจะเย็นจะสบายคําถามจากทางไลน์คุณเติมครับการที่เราอยากทําบุญมากๆอยากได้บุญมากๆ จะเป็นการความอยากอันนี้จะเป็นกิเลสไหมคะโดยก็ทำบุญปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดจะเป็นก็ตอเมื่ออยากแล้วไม่ทำเท่านั้นเองอยากทำบุญมากๆพอเวลาทำบุญทำนิดเดียวอย่างนี้ก็เป็นกิเลสเพราะมันหลอกเรา แต่ถ้าอยากทํามากๆแล้วได้ทํามากๆนี้ไม่เป็นไม่เป็นกิเลสเป็นธรรมะอยากสละสมบัติเข้าของเงินทองยกให้คนอื่นไปหมดเลยนี่ อ, อยากเฉยๆแต่ไม่เคยสละไม่เคยยกนี้เป็นกิเลสมนหลอกตัวเองถ้าอยากก็ต้องทําตามที่เราอยากให้แล้วมันก็จะเป็นธรรมขึ้นมาคำถามจากอินบ็อกซ์นะครับผมลาออกจาก รชาชการแล้วมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญทุกเดือนจนตายและคิดจะบวชนำเงินบำนาญจะให้ลูกใช้ทำแบบนี้จะผิดวินัยหรือศีลของพระสงฆ์ไหมครับอ๋อไม่ผิดหรอกคำถามต่อไปจากคิดถึงพ่อคนบนฟ้า ก่อนที่หนูจะใส่บาตรหรือถวายสังฆทานหนูควรกล่าวถึงพ่อซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปว่าอย่างไรดีคะให้พ่อได้รับส่วนบุญส่วนกุศล น, นี้อ๋อต้องรอให้ใส่ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยค่อยคิดถึงพ่อถ้ายังไม่ได้ใส่ยังไม่มีบุญคิดไปพ่อก็ยังไม่ได้รับบุญต้องรอให้เราใส่บาตรให้เสร็จก่อนพอใส่บาตรเสร็จแล้วเราก็มาอธิษฐานจิตว่าขอทิดส่วนบุญนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วเอ ถ้าคุณพ่อคุณแม่รอรับอยู่ก็ขอให้มารับไปได้เลยอย่างนี้แต่ถ้ายังไม่ได้ใส่บาทไปอุทิศไม่ได้เพราะไม่มีบุญอุทิศเหมือนกับว่าถ้ายังไม่ได้เอาเงินฝากธนาคารนี้จะไปเบิกไม่ได้จะเบิกเงินได้ต้องฝากเงินไว้ในธนาคารก่อน <c oughs> คําถามต่อไปจากคุณเซส การพิจารณาทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจําวันทําเพียงแค่รู้ว่ามีสิ่งไหนมากระทบเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเท่านั้นพอก่อนได้ไหมคะบางทีปัญญาเดินไม่ทันค่ะก็มันอยู่ที่ว่าทําแล้วหยุดความโลภความอยากได้หรือเปล่าถ้าทําแล้วไม่ไปหยุดความโลภความอยากก็อย่าไปทําให้มันเสียเวลา เพราะการดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีมามีไปมีเกิดมีดับก็เพื่อให้เราเห็นว่ามันมันไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเราได้ไปตลอดเราก็ยอย่าไปอยากได้มันเช่นพอไปเห็นเสื้อผ้าขึ้นมาก็ต้องเห็นว่าเออมันเกิดแล้วมันดับเลยอย่าไปอยากไม่ใช่ไปเห็นปั๊บมันเกิดมันดับแต่มือไปคว้าไปจ่ายเงินมาย่างี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร มันดูการเกิดการดับการมาการไปของสิ่งต่างๆเพื่อให้เราหยุดความโลภหยุดความอยากกับสิ่งต่างๆนั่นเองถ้าเราได้มาแล้วเดี๋ยวเราเสียไปเราก็ไม่เอาดีกว่าเสียเงินไปเปล่าๆอย่างนี้คือการดูทุกสิ่งทุกอย่างนี้ดูเพื่อให้เราปล่อยวางไม่ให้ไปยึดไปติดไม่ให้ไปโลภไปอยากแต่ถ้าดูเฉยๆแล้วยังยึดยังติดยังโลภยังอยากอ ย, กอยู่ก็ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร คำถามต่อไปจากคุณจินคอปการทำงานของขันห้าแต่หลายๆครั้งก็ยังไม่เห็นไต ล, ลักษ์ของขันส่วนใหญ่ครับรบกวนพระอาจารย์เมตตาแนะนำด้วยครับก็ร่างกายก็เห็นอยู่ตลอดเวลามันเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เป็นไตลักษ์แล้วแล้วก็เวทนาก็คือความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลามันก็เป็นไตลักษ์แล้ว แต่เราไม่อยากไม่เป็นไตรักเลมันเราอยากจะให้มันเป็นสุขเวทนาอย่างเดียวพอทุกขเวทนาโผล่ขึ้นมาเราก็อยากจะให้มันหายไปเราต้องเห็นว่ามันเป็นายรักมันมาแล้วไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปควบคุมบังคับไปห้ามมันไม่ได้คําถามต่อไปจากคุณสทาพร <c oughs> ปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้มรรคผลและควรใช้เวลานานแค่ไหนครับ ก็อย่างที่เทศวันนี้ถ้าอยากจะได้มรรคผลภายในภาสภายในภพนิชานี้ก็ต้องปฏิบัติเต็มที่เต็มร้อยเป็นมืออาชีพไม่ทำงานอย่างอื่นเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติทุกวันทุกคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นคำถามต่อไปจากคุณจตุรนกระผมนั่งภาวนาพุทธโธ บางครั้งรู้สึกว่าร่างกายโยกไปมาแบบสั่นเร็วๆกระผมควรบังคับให้หยุดหรือว่าพุโทโธต่อไปครับเป็นอาการของปิติใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันเน่ยเป็นอาการของการไม่มีสติมากกว่าถ้ามีสติแล้วมันต้องนิ่งอย่างตอนนี้เรานั่งคุยกันทําไมเราไม่โยกอะ่ะก็เพราะเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาพอเวลานั่งสมาธิแล้วถึงแม้จะพุโทโธแต่พุโทโธแบบ แบบจะแบบไม่ได้พูดโทรจริงอะพูดโทไปแต่ไม่ไม่ได้เอามาควบคุมใจต้องมีพูดโทที่มาควบคุมใจมันถึงจะไม่สั่นคำถามต่อไปจากคุณปาล์มเวลาทำงานที่ชอบจะสามารถไม่นอนเลยได้ถึงสองสามวันพยายามทำสมาธิให้ใจสงบก็จะนอนได้แค่สองถึงสามชั่วโมงก็ตื่นมา แล้วก็อยากจะทำงานใหม่อีกรู้ตัวอีกทีก็ผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงโดยไม่หิวไม่ง่วงจนเกิดความกังวลว่าจิตใจเราไหวแต่ร่างกายจะรับไม่ไหวค่ะแบบนี้เรียกว่าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิมาเบรก ค, ความคิดใช่ไหมคะเราไม่ยอมไม่ยอมหยุดมันเองเราต้องรู้จักประมาณว่าร่างกาย ทำงานไปแล้วถึงเวลาหนึ่งมันก็ต้องมีการพักผ่อนหลับนอนถ้าปล่อยให้มันทำแบบหักโหมเดี๋ยวก็ต้องเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้ไม่มีปัญญาคุณคุณโกใช่ไจานโกแล้วเชิญ เบาๆหน่อยนะเสียงคุณดังมากอนเดียวกับน้ำมัสการอาจารย์ครับตัวผมเองก็เมื่อวานนี้ก็ไปทบทวนแต่งเรื่องที่ อ, า, อาจารย์สอนมาเซวันนี้ก็รู้สึกว่าได้กลับไปถึงตอนบวชแล้วก็เอามาประเกตประกอบหลากหลายมากซึ่งวันนี้ก็มาหยุดลงที่ อาจารย์สอนถึงเรื่องกายกับใจแยกกันโดยเส้นเชิงวันนี้ก็คงจะมีคำถามแค่สองคำถามเท่านั้นคำถามแรกเคยเป็นคำถามเมื่อวานที่คงค้างไว้แต่เรื่องของความรักเรื่องของความรักนั้นตัดบัวก็ยังเหลือใหญ่อยากย้อนไปครั้งพุทธกาลที่พระโมคคัลลนะโดนปัสตุล้ายจนเกิดความตายสมัยนั้นก็ยังต้องชดใช้กรรมกันไปหมดเวลาเราเกิดความรัก แล้วความรักยังดำเนินอยู่เสร็จปับ๊บพอตัดบัวใ ย, ยมันก็ยังยาวมันไม่ยอมหมดไปก็คือเรานั้นยังคิดถึงคู่รักเราทั้งทั้งที่เขาไม่รักเราแล้วเราจะใช้ธรรมะข้อไหนในการเยอะตรงนี้ในขณะนั้นๆที่ความรักกําลังดำเนินอยู่ครับเรา้องใช้อาสุภาษณสิอลองร่างกายของเขา ว่าเป็นซากศพเดินได้นี่เองถ้าเกิดเขาหยุดหายใจแล้วเราลักขนาดไหนยังจะเก็บเขาไว้อยู่กับเราวะกับก็เมื่อเกียอาจารย์ได้เทศถึงอสุภะซึ่งมันอ่าละเอียดอ่อนกว่าเกสาโลมาณขาตันตาตะโจเคยไม่ได้เห็นนอกอยู่แต่ข้างนอกสามารถจะซึมลึกเข้าไปเห็นขี้หูขี้ตาน้ำเหลืองน้ำเลือดในร่างกายอันนี้ก็ต้องไปดูซากศพ บ, บางดูเขาผา่าศพนะ เอาจริงอย่างนั้นเลยใช่ไหมอาจารย์อ่าคุณจะเอาจริงแล้วคุณไม่ทําจริงมันจะได้เลย <c oughs> คุณอยากจะตัดเยื่อใยม่ไม่แย่เลยก็ <c oughs> ต, นตอนก็เป็นซากศพแล้วไม่เอาแล้วใช่ไหมต อ, ตอนนั้นตอนนั้นเด็กมากนะครับอาจารย์แต่ตอนนี้รู้เป็นไฟก็ไม่แย่ก็ไม่ไม่ได้ยุ่งกับความรักมานานมากตั้งแต่วันนั้นเอครับอีกอีกหนึ่งคำถามก็คือเรื่องเมื่อวานนี้ที่อาจารย์บอกว่า โงเ่เฮงของพระพุทธเจ้านั้นมีลักมีโห่เฮงมันต่างกันก็เลยทําให้ตัวของโกเองเนี่ยเยี่มยมเยี่ยมแจ่มใสมาจนตอนนี้เลย <c oughs> วันนี้ขับรถมาด้วยความสงบนะครับไม่ได้ลุกลี้ลุกลนโดนตํารวจจับมันเมื่อวาน <c oughs> แล้วก็มีความสุขดีมากจะขอดําเนินอบับเผยแผ่พุทธศาสนาต่อแล้วก็เหมือนที่อาจารย์บอกทุกคนไม่มีเพศ ไม่ว่าจะเป็นชายหญิงทอมตุตตี้เคยใช้ธรรมะได้หมดขอขอบพระคุณอาจารย์สุชาติอีกหนึ่งครั้งผมก็มีโอกาสมาน้อยเพราะว่าสี่วันที่ผ่านมาคือวันหยุดแต่จะหาโอกาสมาเพราะวันนี้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วมาไกลแล้ ว, วพระอาจารย์แนะนำให้สาธุสาธุโขแบบพระชิตโตคงไม่ไหวอาจารย์กราบสวัสดีสาธุสาธุ เอาไปปฏิบัติต่อนะอย่าทิ้งนะความรู้เหล่านี้ถ้าไม่คอยคอยพิจารณาอยู่เดี๋ยวลืมได้นะเม่จะกลับไปเป็นมนุษย์อย่างเดิมไม่ขึ้นไปชั้นเทพจะไม่กลับกัน <c oughs> มีคำถามอีกไหมยังไม่มีเลยครับหมดแล้วเลย <c oughs> มีใครอยากจะถามไหมขอ <c oughs> โอกาสให้นะ <c oughs> เดี๋ยวไม่ถามก็จะปิดประชุม